ปัญหาที่หกถามถึงความร้อนแห่งไฟนรกพระเจ้ามิลินตรัดถามว่าข้าแต่พนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าไฟนรกร้อนมากกว่าไฟปกติก้อนหินน้อยๆทิ้งลงไปในไฟปกติไฟเผาอยู่ตลอดวันก็ไม่ย่อยยับส่วนก้อนหินโตเท่าปราสาสทิ้งลงไปในไฟนรกก็ย่อยยับไปในขณะเดียว ดังนี้คำนิยมไม่เชื่อถึงคำที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าพวกสัตว์นรกอยู่ในนรกได้ตั้งพันๆปีก็ไม่ย่อยยับไปดังนี้คำนิยมก็ไม่เชื่อพระเทระตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษจะเข้าพระทัยอย่างไรคือพวกนกยุงไก่ป่ามังกรจระเข้ เต่าย่อมกินก้อนหินแข็งๆก้อนกรวดแข็งๆจริงหรือเออโยมได้ยินว่าจริงนะพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรก้อนหินก้อนกรวดเหล่านั้นเข้าไปอยู่ภายในท้องของสัตว์เหล่านั้นแล้วแหลกย่อยยับไปหรือไม่แหลกย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพร ก็สัตว์ที่อยู่ในท้องของสัตว์เหล่านั้นแหลกย่อยยับไปไหมไม่แหลกย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบาพิษโยมเข้าใจว่าเพราะกรรมคุ้มครองไว้ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษพวกสัตว์นรกถึงจะถูกไฟไหม้อยู่ในนรกตั้งหลายพันปีก็ไม่ย่อยยับไปเพราะกรรมคุ้มครองไว้ พวกสัตว์นรกเหล่านั้นเกิดอยู่ในนรกเจริญอยู่ในนรกตายอยู่ในนรกข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระชินสีตรัสไว้ว่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นตราบใดสัตว์นรกก็ยังไม่ตายตราบนั้นขอนิมนต์อุปมาด้วยอุปมาด้วยราชสี ขอถวายพระพรมหาปพิจจะเข้าพระไทยความข้อนี้อย่างไรคือราชสีเสือโครองเสือเหลืองตัวเมียย่อมเคี้ยวกินของแข็งแข็งเคี้ยกินกระดูกเคี้ยวกินเนื้อมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรกระดูกที่เข้าไปอยู่ในท้องของสัตว์เหล่านั้นแหลกย่อยไปไหมแหลกย่อยไปพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรลูกในท้องของสัตว์เหล่านั้นแหลกย่อยยับไปไหมไม่แลกพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาปิโยมเข้าใจว่าเป็นเพราะกรรมรักษาไว้แต่ขอนิมนุ์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาด้วยนกหัวขวานขอถวายพระพรมหาปิฏจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไรคือนกหัวขวาน นกยูงย่อมเคี้ยวกินไม้อันแข็งมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าไม้อันแข็งเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในท้องของนกหัวขวานนกยูงเหล่านั้นแล้วย่อยยับหรือไม่ย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าขอถวายาพระพรลูกนกหัวขวานที่อยู่ในท้องย่อยยับไปหรือไม่ไม่ย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้า เพราะอะไรมหาปิโยมเข้าใจว่าเพราะกรรมรักษาไว้ขอนิมนอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกปปมาว่าด้วยสตรีขอถวายพระพรมหาปิฏจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไรคือนางโยนกนางกระย์นางพราหมณ์นางคฤหบดีที่มีความสุขมาแต่กำเนิดได้เคี้ยวกินของแข็ง ขนมผลไม้เนื้อปลาต่างๆหรือไม่เคี้ยวกินพระผู้เป็นเจ้าของเหล่านั้นตกเข้าไปอยู่ในท้องของหญิงเหล่านั้นแล้วย่อยยับไปหรือไม่ ย, อย่อยอยับไปพระผู้เป็นเจ้าก็ลูกในท้องของหญิงเหล่านั้นย่อยยับไปหรือไม่ไม่ย่อยยับไปพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบาพิษ โยมเข้าใจว่าเป็นเพราะกรรมคุ้มครองไว้ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษคือพวกสัตว์นรกก็จะถูกไฟไหม้ในนรกตั้งหลายพันปีก็ไม่ย่อห ย, ยับไปสัตว์นรก่านั้นเกิดอยู่ในนรกเจริญอยู่ในนรกตายอยู่ในนรกข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระทศพลตรัสไว้ว่า บาปกรรมที่เขาทำไว้ยังไม่สิ้นตราบใดเขาก็ยังไม่ตายตราบนั้นสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้า